ถ้าเป็นทุกข์กายนี่ก็ก็เรื่องหนึ่งนะพอเกิดผัสสะขึ้นมามันก็ทุกข์เลยนะอเรียกว่าทุกขโวทนาแต่ถ้าเป็นทุกข์ใจนี่มันต้องมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดขึ้นก่อนนะซึ่งเรียกรลมๆกันว่าการปรุงแต่งหมายความว่าเกิดผัสสะแล้วเนี่ยมันยังไม่ทําให้ทุกข์ใจทันทีนะ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 คือถ้าไม่มีความชังเกิดขึ้นก็ไม่มีความทุกข์เมื่อได้ยินเสียงไอ้ตัวความชังนี่ก็ถือว่าเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งนะเพราะ้าราศักแต่ว่าได้ยินเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์กายหรือทุกข์ใจแต่พอมีความชังเกิดขึ้นแลน้วนี่ก็ทุกข์เลยนะเมื่อได้ยินแล้วความชังเกิดขึ้นเพราะอะไรนะมันก็มีเหตุหลายอย่าง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 นี่เป็นการเคารพสักการะสิ่งที่เรียกว่าลูกเคารพนะศาสนาเขานี่ก็ถือว่าการไปบูชาลูกเคารพนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นสิ่งที่ขัดกับศาสนาของเขาให้ฆ่าแบบนี้เขาเห็นพระพุทธรูปเขาก็มีความขุนเคืองใจขัดใจหรือว่าบางค น, เ ว, เ, เ, นเวลาเราเห็นเวลาเราเห็นขยะปฏิกูลนะ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 ตาเห็นรูปเช่นขยะเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้ทุกข์ทันทีนะก่อนจะทุกข์ได้เนี่ยมันต้องมีการให้ค่าว่าไม่ดีไม่ถูกต้องไม่สวยคนหนึ่งเห็นเห็นขี้เห็นแล้วก็ขยะขแขยงเพราะว่าให้ค่าว่า ข, ข, ขี้เนี่ยมันสิ่งที่ไม่สวยงามสะกะปรก ไม่ดีแต่ถ้าเป็นชาวสวนหรือเป็นรืยเพพาะอย่างในเมืองจีนเนี่ยเนหะ็นขี้นี่เขารู้สึกเฉยเหรืออาจจะรู้สึกดีด้วยซ้ำนนะเพราะว่าอันนี้หมายถึงปุ๋ยนะที่จะไปใช้ผสมลดผักนะทำสวนได้ mm hmm. เขาให้ค่าว่าขี้มีประโยชน์นะจำเป็นต่ออาชีพของเขา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 จะทําให้ใจไม่สงบที่จริงก่อนที่ใจจะไม่สงบหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันก็มีการปรุงแต่งก่อนไม่ใช่ว่าหูได้ยินแล้วเนี่ยมันจะทุกข์เลยเนะมันจะ ม, มีการปรุงแต่งว่าเสียงแทรกเข้ามานั้นไม่ดีนะมันจะเป็นอริคต่อการปฏิบัตินะแต่ก็ไม่จําเป็นนะเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าเนี่ยคนที่ไป สังเวชนีสถานเนี่ยโดยพระพุทธคยาเนี่ยหลายคนเขาก็สามารถที่จะนั่งอย่างสงบหลับตาพริมนะจิตเป็นสมาธิทั้งที่เสียงบริเวณนั้นก็ดังนะเสียงสวดมนต์ของผู้ที่เดินประทักษิณ น, นะไม่ได้สวดป่าเปานะี่ยบงทีก็มีไมโครโฟนเครื่องขยายเสียงเนื่องจ า, ากลุ่มคนไทยนีย่ต้องติดเครื่องขยายเสียงเอาไว้เพราะว่ากลุ่มใหญ่ต้องก็ให้สวดพร้อมเพรียงกัน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 ถามว่าหูเขาไม่ได้ยินเสียงหรือหูก็ได้ยินผัสสะก็เกิดขึ้นแต่ว่าใจเขาเนี่ยนะไม่ได้ปรุงแต่งไปในทางลบนะกับเสียงนั้นนะไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงไม่ดีไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงรบกวนกับรู้สึกเป็นเสียงที่ดีด้วยซ้ำเป็นเสียงของการสวดมนต์บูชาพระตนะไตรนั่นพอจิตพอจิตนี่ไม่ได้ให้ค่าหรือปรุงแต่งไปในทางลบเนี่ย แม่หูได้ยินเสียงแต่ใจก็สงบได้เอาความความวิจารณ์ความติดติงก็เหมือนกันนะหลายคนพอหูได้ยินเนี่ยนะก็ไม่พอใจเลยแต่ที่ไม่พอใจไม่ใช่เพียงเพราะว่าหูได้ยินเท่านั้นนะพอหูได้ยินแล้วมันมีนมการให้ค่านะหรือว่มีการอาการผลักไสไม่ชอบอคำพูดเหล่านั้น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 มันมีคนที่มุ่งหมายจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราหรือว่าปรุงแต่งไปว่ามีผีนะจะมาหลอกหลอนเราทั้งหมดนี้ไม่มีจริงไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกเลยนะแต่พอปรุงแต่งว่ามันมีมันมาก็กลัวเลยนะแล้วคนเราเนี่ยกลัวเพราะความคิดของตัว หรือว่าพูดง่ายคือกลัวการปรุงแต่งกลัวเพราะการปรุงแต่งนะไอ้ตัวกูก็เหมือนกันนะตัวกูมันไม่มีจริงแต่พอปรุงขึ้นมาแล้วนี่มันก็เกิดเลื่องขึ้นมาเลยนะเพราะตัวกูนี่มันก็จะไปยึดเอาความทุกข์กายว่าเป็นตัวกูทุกข์นะเป็นกูทุกข์กูทุกข์กูกูเจ็บกูปวดกูเมื่อยตลอดเวลารมทั้งกูหนาวด้วยไอ้ตรงนี้แหละที่ทาให้ทุกข์ใจนะ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 มันก็จะเห็นเลยนะว่ามันเป็นสายที่ยาวเมื่อเกิดผัสสะแล้วก็มีเวทนาแล้วก็ตัณหาอุปาทานภพชาติชรามอรณะแล้วจึงเกิดทุกโธมนะขึ้นมาจากผัสสะเนี่ยไปถึงทุกเนี่ยมันผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมากซึ่งถ้าเรียกง่ายๆคือเรียกว่าการปรุงแต่งแต่บางคนนี่เห็นปฏิจจสุบาแล้วก็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 ถ้าว่าเรามีเรามีสติและมีความรู้สึกตัวได้รวดเร็วฉับฉับพลันเนี่ยฉับไวเนี่ยในโดยเพราะเวลาเกิดผัสสะขึ้นมามันก็จะกันไม่ให้อ่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ตรงนี้แหละที่เาเรียกอินเซียสังวรนะอินเซียสังวรคือหรือที่แปลงง่ายๆว่าสังสรวมอินทรีย์เวลาเราพูดถึงสังรวมเนี่ยเราก็มักจะหมายถึงการควบคุมนะ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 เขาก็ตอบว่าพอเวลาเขาได้รับการฉายแสงนี่เขาก็มองว่าเขากาลังได้รับแสงสวรรค์เวลาเ็าฉีดเคโมโีนี่เขาคิดว่าเขากาลังได้รับน้าทิพต์เขามองมาในแง่บวกนะพอมองในแง่บวกใจก็ยอมรับใจไม่กลัวพอใจยอมรับกายมันก็ยอมรับได้ง่ายขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยกลัวยิ่งได้ยินกิตติศัพท์ว่าฉายแสงเคโมโนี่มันทาให้แพ้นหนักเนี่ยไม่ทันจะโดนเลยนะ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 เขาก็เลยรอไม่ได้รอเปล่าๆเขาก็ร้องเพลงด้วยร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของบ้านนี้ก็พอรู้ว่าไปชณีไม่ไปแน่นะก็เลยต้องเดินออกไปรับนะพอเดินออกไปเจอแดดนะเจออากาศอ้าวนี่ก็ก็หงุดหงิดเลยพอรับจดหมายเสร็จก็เลยถามไปชณีนะว่าอากาศรบอบบันนี้ทำไมมีอารมณ์ร้องเพลง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 ด้วยการวางใจที่ถูกต้องก็ทำให้ใจไม่ทุกได้เมื่อตาเห็นรูปหรือว่าหูได้ยินเสียงใจก็เป็นปกติไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวหรือว่าไม่ตกต่ำไปในทางลบนะแล้วเราก็ต้องสอนตัวเองแบบนี้ด้วยนะโดยพนักปฏิบัติเนี่ยนะเราจะไปพึ่งพาสิ่งวัตล้อมอย่างเดียวไม่ได้จะไปพึ่งพาสถานที่สงบอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องรู้จักฝึกใจนะเพื่อที่จะ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 เป็นเครื่องฝึกสติของเราพอมองไปในแง่บวตรปนิจใจก็ยอมรับมันได้ไม่ผักใสก็ทำให้อยู่กับเสียงนั้นได้โดยที่ใจไม่ถูกนะเอาละชาาินี้ก็พูดกับท่านน้นะครับครับ